วิธีง่ายๆที่จะทำให้ผู้อื่นติดเนื้อต้องใจเมื่อแรกพบเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าไปในงานเลี้ยงดินเนอร์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กแขกหญิงผู้หนึ่งซึ่งได้รับมรดกเงินก้อนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะให้ตัวของหล่อนเป็นเสน่แก่ทุกคนหล่อนยอมทุ่มเทเงินของหล่อนในการซื้อเสื้อขนสัตว์อย่างดีเทศและไขมุกมาใช้ประดับกายแต่หล่อนไม่ได้จัดการอย่างใดเกี่ยวกับใบหน้าของหล่อนเลย ใบหน้าซึ่งมีลักษณะปูดบึบ้งและเห็นแก่ตัวหล่อนไม่รู้หรอกว่าผู้ชายทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจดีว่าลักษณะซึ่งปรากฏอยู่บนใบหน้าผู้หญิงมีความสำคัญกว่าสิ่งที่ใช้ประดับกายมากมายหลายเท่าวงเล็บเปิดจงจำประโยคนี้ไว้พูดกับเมียของท่านเมื่อหล่อนต้องการซื้อเสื้อผ้าราคาแพงวงเล็บปิดชานชวอบบอกข้าพเจ้าว่ายิ้มของเขามีราคาหนึ่งล้านเหรียญ คำบอกเล่าของเขายังน้อยกว่าความเป็นจริงเสียด้วยซ้ำค่าที่บุคลิกลักษณะของชวอฟเสน่ห์ของเขาความสามารถของเขาในอันที่จะให้ผู้อื่นนิยมชมชอบเขาเป็นอุปกรณ์สําคัญแทบจะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุนให้เขาเข้าไปสู่ความสําเร็จเป็นพิเศษและสิ่งมีราคาสูงที่สุดในบุคลิกลักษณะของเขาก็คือยิ้มอันเต็มไปด้วยสเสน่ห์ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าใช้เวลาบ่ายให้หมดสิ้นไปกับโมริตเชอวันเย ข้าพเจ้าขอพูดอย่างเปิดเผยว่าตอนแรกข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเฉยเฉยและเงียบขึมของเขาซึ่งเป็นลักษณะที่ผิดไปจากความคาดหมายของข้าพเจ้าแต่ครั้นเมื่อเขายิ้มยิ้มของเขาเปรียบเหมือนหนึ่งแสงอาทิตย์ถูกาสาดผ่านเมฆลงมาเบื้องล่างถ้าไม่เป็นเพราะยิ้มของเขาโมริตเชิรวันเยอาจจะเป็นช่างต่อโ ต, ต๊ะตู้อยู่ในกรุงปรารีสเจริญตามรอยพ่อและพี่น้องของเขา การกระทำมีความหมายยิ่งกว่าคำพูดส่วนการยิ้มมีความหมายว่าฉันชอบท่านท่านทำให้ฉันมีความสุขฉันยินดีมากที่ได้พบท่านเพราะเหตุนี้เองหมาจึงได้รับความนิยมชมชอบจากมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วไปหมาดีใจเมื่อมันเห็นหน้าเจ้าของจนแทบจะกระโดดออกจากหนังที่หุ้มร่างของมันดังนั้นเป็นธรรมดาอยู่เองเจ้าของหมาจึงพลอยดีใจตามหมาเมื่อพบหน้ามัน ส่วนการยิ้มแย่ยๆด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเล่าจะได้ผลไหมไม่มีประโยชน์เลยเพราะไม่สามารถตบตาใครได้เราต่างรู้ว่าการยิ้มแบบนั้นเป็นการกระทำอย่างปราศจากความจริงใจและเราต่างไม่ชอบมันข้าพเจ้าพูดถึงการยิ้มอย่างแท้จริงยิ้มด้วยไมตรีจิตยิ้มซึ่งมาจากส่วนลึกของหัวใจยิ้มชนิดที่ท่าเป็นสิ่งซื้อขายกันได้ก็มีราคาสูงลิลับ ผู้จัดการฝ่ายเสมียนพนักงานของห้างดี p า r t m เม t s ์สโตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในนิวยอร์กบอกข้าพเจ้าว่าเขายินดีจ้างหญิงขายของผู้มิได้ศึกษาสำเร็จจากโรงเรียนมัธยมต่ำๆแต่มีรอยยิ้มเป็นสเสน่ยยิ่งกว่าจะจ้างผู้ได้รับปริญญาแม้จะขนาด p s d แต่ใบหน้าเฉยเนื่อยประธานกรรมการของบริษัทสินค้ายางใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐบอกข้าพเจ้าว่าตามความสังเกตของเขา มนุษย์มีน้อยนักที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งใดเว้นแต่เขาปฏิบัติภารกิจนั้นๆด้วยความสนุกเพลิดเพลินหัวหน้าใหญ่แห่งอุตสาหกรรมผู้นี้มิได้เลื่อมใสในพาษิทธ์เก่าแก่ที่ว่าการทำงานอย่างหนักเท่านั้นจะเป็นกุญแจวิเศษไขประตูแห่งความปรารถนาทุกๆอย่างของเขาผมรู้จักบุคคลต่างๆเผากล่าวซึ่งประสบความสาเร็จเนื่องมาจาก บุคคลเหล่านี้ได้รับความสนุกเพลิดเพลินในหน้าที่การงานแต่ครั้นมาภายหลังถ้าบุคคลนั้นๆเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายระอิดระอาและหมดความสนุกในงานของเขาเขาก็จะประสบความล้มเหลวท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการพบปะผู้อื่นถ้าหากท่านจะทําให้เขาเพลิดเพลินจากการพบปะท่านข้าพเจ้าขอร้องให้นักธุรกิจหลายพันคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้ายิ้มกับใครต่อใครทุกๆชั่วโมง ในวันหนึ่งหนึ่งตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วมารายงานผลที่ชั้นการศึกษาผลเป็นอย่างไรหรือท่านเรามาดูกันดีกว่าต่อไปนี้เป็นจดหมายจากวินเลียมบีสไต์ฮาร์ทสมาชิกของสำนัก ง, งานซื้อขายใบหุ้นนิวยอร์กเคิร์บเอ็กชเรื่องของเขาม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาคนเดียวแต่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นอีกหลายร้อยคนผมแต่ ง, งานมา18ปีสไตฮาร์เขียนจดหมายว่า ตลอดระยะเวลาที่กล่าวแล้วผมไม่ค่อยจะยิ้มกับเมียผมหรือวันหนึ่งหนึ่งตั้งแต่ผมตื่นขึ้นจนกระทั่งออกจากบ้านไปทำงานผมไม่เคยพูดกับหล่อนเกินไปกว่าสองโหลคำผมเป็นคนเคร่งครึมอย่างไม่มีใครเหมือนในย่านบอดเวนับตั้งแต่คืนที่ท่านขอร้องผมให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการยิ้มของผมผมจึงคิดจะลองยิ้มดูสักหนึ่งสัปดาห์เหตุนี้เองในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะผมหวีผม ผมมองดูหน้าอันบึ้งตึงของผมในกระจกแล้วรำพึงนี่แน่เจ้าบิลแกจะต้องล้างลักษณะเบี้ยวบูดบึ้งตึงออกไปจากหน้าของแกเสียตั้งแต่วันนี้แกจะต้องยิ้มและแกจะต้องเริ่มต้นเสียเดี๋ยวนี้ขณะผมนั่งลงที่โต๊ะเพื่อกินอาหารเช้าผมทักทายเมียของผมอรุณสวัสดยอดรักของฉันแล้วผมยิ้มพร้อมคำพูดท่านเตือนผมให้คอยดูว่า เมียของผมอาจจะชะโงนสนเท่พิทนะครับท่านคาดหมายปฏิกริยาของหล่อนต่ำไปหล่อนถึงกับงงงวยหล่อนถึงกับตะลึงงนันผมบอกหล่อนว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปหล่อนจะได้รับสิ่งนี้จากผมเป็นประจำและผมปฏิบัติเช่นนี้ทุกๆเช้าตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมาแล้วการเปลี่ยนเข้าหน้าของผมทำให้เกิดความสุขขึ้นในบ้านระหว่างเวลาสองเดือนก่อน ยิ่งกว่าหนึ่งปีที่แล้วมาเสียอีกเวลานี้เมื่อผมไปถึงตึกสำนักงานผมทักทายเด็กประจำลิฟด้วยคำอรุณสวัสดิ์และยิ้มผมทักทายคนเฝ้าประตูด้วยยิม้มผมยิ้มกับแคสเชียในคอกที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อผมขอแลกเงินขณะผมยืนอยู่ที่พื้นสำนักงานของ Curve บเอ็กชผมยิ้มกับใครต่อใครทุกคนซึ่งเขาเหล่านี้เพิ่งจะเห็นผมยิ้มเมื่อเร็วๆนี้เองในไม่ช้าผมพบว่าใครๆ ต่างก็ส่งยิ้มกลับมาให้ผมเมื่อมีใครมาหาผมเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ร้อนโศกเศร้าใดๆก็ตามผมจะต้อนรับด้วยกิริยาท่าทางยิ้มแย้มร่าเริงผมจะยิ้มฟังเขาเล่าเรื่องของเขาซึ่งจากการยิ้มนั่นเองช่วยให้ผมจัดการแก้ไขปัญหาของเขาเหล่านั้นลูล่วงไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นผมประจักษ์ความจริงแล้วว่าการยิ้มเป็นสิ่งนำประโยชน์มาให้ผมประโยชน์อย่างมากมายเหลือหลายทุกๆวัน ผมเช่าสำนักงานอยู่ร่วมกับพวกนายหน้าซื้อขายหุ้นด้วยกันผู้หนึ่งเขามีเสมียนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ่มที่เรียบร้อยน่ารักจากความตื่นเต้นในผลที่ผมได้รับผมจึงเล่าให้เขาฟังเมื่อเร็วๆนี้ถึงสิ่งที่ผมถือว่าเป็นปรัชญาแห่งชีวิตในด้านมนุษยสัมพันธ์เสมียนผู้นี้สารภาพว่าเมื่อผมเริ่มมาเปิดสำนักงานร่วมอยู่ในบริษัทนี้เขาคิดว่าผมเป็นคนเคร่งครึมอย่างร้ายกาศและเมื่อเร็วๆนี้เอง เขาเปลี่ยนความคิดนี้เขาว่าขณะผมยิ้มผมเป็นมนุษย์ที่น่ารักเสียนี่กระไรนอกจากนั้นผมยังกําจัดการตําหนิตีเตียนผู้อื่นไม่ให้เหลืออยู่ในตัวผมอีกเลยผมยกย่องและชมเชยผู้อื่นแทนการกล่าวโทษผมเลิกพูดถึงสิ่งที่ผมต้องการผมใช้ความพยายามที่จะเข้าใจแง่คิดเห็นของผู้อื่นเสมอความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ของผมได้ปฏิวัติชีวิตของผมโดยสิ้นเชิง ผมกลายเป็นคนที่ผิดแปลกไปในทุกประการจากเมื่อก่อนแปลกโดยมีความสุขมากขึ้นร่ำรวยยิ่งขึ้นร่ำรวยทั้งมิตรสหายและความสุขสิ่งซึ่งมีความสำคัญแก่ชีวิตยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดโปรดอยลืมว่าจดหมายฉบับนี้เขียนโดยนายหน้าค้าหุ้นผู้เชี่ยวชาญและเฉลียวฉลาดในงานนี้และดำรงอาชีพด้วยกิจการซื้อขายหุ้นร่วมอยู่กับสำนักงานนิวยอร์กเคิร์ฟเอ็กซ์เชนด์โดยขาดทุนหรือได้กำไรเป็นส่วนตัวของเขาเอง เป็นการค้าประเภทที่เต็มด้วยความลำบากซึ่ง99ใน100คนมักประสบความล้มเหลวท่านไม่มีความรู้สึกที่จะยิ้มเลยหรือเมื่อเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีมีอยู่สองประการประการแรกจงบังคับตัวท่านให้ยิ้มจนได้ถ้าท่านอยู่คนเดียวจงบังคับตัวของท่านให้ผิวปากหรือทำเสียงฮึมๆเป็นทำนองเพลงหรือร้องเพลงท่านจงทากิริยาท่าทางเหมือนหนึ่งท่านกาลังมีความสุข และในที่สุดจะโน้มความรู้สึกของท่านให้มีความสุขจริงๆวิลเลียมเยมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ร่วงรับกล่าวแนะนําหนทางไว้ดังนี้คูอคล้ายๆกับว่าการกระทําเกิดขึ้นตามหลังความรู้สึกในเมื่อความจริงการกระทําและความรู้สึกเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าเราเปลี่ยนแปลงการกระทําซึ่งการกระทํานี้อยู่ภายใต้อํานาจจิตโดยตรงก็จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกซึ่งมิได้อยู่ภายใต้อํานาจจิตในทางอ้อม หนทางที่ท่านจะร่าเริงเป็นปกติถ้าเราได้สูญเสียความร่าเริงนั้นจะสำเร็จได้โดยการอาศัยนั่งยืดกายตรงอย่างคนกำลังร่าเริงทำกิริยาท่าทางและพูดเหมือนหนึ่งได้รับความร่าเริงมนุษย์ทุกคนบนพื้นพิภพต่างสแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่มีหนทางเด็ดขาดแน่นอนอยู่หนทางเดียวที่จะพบมันนั่นคือด้วยการบังคับความคิดของท่านเองความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอก แต่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายในต่างหากไม่ใช่เพราะสิ่งที่ท่านมีหรือท่านอยู่ในฐานะใดหรือท่านอยู่ที่ไหนหรือท่านกำลังกระทำสิ่งใดที่ช่วยให้ท่านมีความสุขหรือปราศจากความทุกข์มันอยู่ที่ท่านคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างไรต่างหากเป็นต้นว่ามีคนสองคนอยู่ในฐานะเดียวกันทำงานอย่างเดียวกันและต่างมีเงินและอานาจวาสนาเท่ากันแม้กระนั้นคนหนึ่งอาจจะมีทุกข์และอีกคนหนึ่งมีสุขทาไม ทั้งนี้เป็นเพราะแนวจิตผิดแผกแตกต่างกันนั่นเองข้าพเจ้าเคยเห็นหน้าของกุลีจีนนับไม่ถ้วนผู้มีเหงื่อไหลในการตรากตรำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงแห่งประเทศจีนด้วยค่าจ้างวันละเจ็ดเซนมีความสุขเสมอเหมือนกับผู้ที่ข้าพเจ้าเห็นณพาคอาเวนะิวไม่มีสิ่งใดดีหรือเลวเทเ็กเบียกล่าวแต่ความคิดทาให้เป็นไปเช่นนั้นครั้งหนึ่ง เอบร ا ฮัมลิงคอนกล่าวคนส่วนมากจะมีความสุขได้มากน้อยเพียงใดแล้วแต่จะทำใจให้รู้สึกเช่นนั้นเขาพูดถูกที่เดียวข้าพเจ้าเคยเห็นตัวอย่างที่เป็นไปตามวาทะนี้จริงๆเมื่อไม่นานมานี้กล่าวคือวันหนึ่งข้าพเจ้าขึ้นบันไดของสถานีรถไฟลองไอแลนด์ Island, ในนิวยอร์กเบื้องหน้าข้าพเจ้ามีเด็กชายพิการราวสาสิบถึงสี่สิบคนซึ่งบ้างมีไม้เท้าและบ้างมีไม้ยันรักแร้ กำลังใช้ความพยายามขึ้นบันไดเด็กคนหนึ่งต้องมีผู้อุ้มขึ้นไปเขาเจ้าเกิดความฉ ง, งนสนเท่ในการหัวเราะต่อกระซิกและยิ้มแย้มร่าเริงของเด็กเหล่านี้อย่างที่สุดจึงอดพูดเรื่องนี้กับชายคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ผู้ดูแลเสียมิได้โอ้ถูกแล้วครับเขาพูดเมื่อเด็กรู้แน่ว่าเขาต้องพิการจนตลอดชีวิตในครั้งแรกเขาถึงกับตกตะลึงแต่หลังจากเขาหายตกตะลึงแล้วเขาก็จะรู้จักอดทนต่อชาตากรรมของเขา ครั้นแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคนมีความสุขยิ่งกว่าเด็กที่ไม่พิการเสียอีกข้าพเจ้าอยากเปิดหมวกโค้งให้เด็กเหล่านี้เสียจริงๆเขาสอนบทเรียนให้ข้าพเจ้าซึ่งจะไม่มีวันลืมเสียได้ข้าพเจ้าใช้เวลาบ่ายวันหนึ่งกับแมรี่พิกเบิร์ตในระหว่างนั้นเป็นตอนที่หลอนกําลังเตรียมจะฟ้องหย่า ก, กับดักลัดแฝดแบงค์นักดูภาพยนตร์ทั่วโลกคงจะพากันคิดในตอนนั้นว่าหลอนคงจะกลัดกลุ่มคลุ้มคลั่งและปราศจากความสุขแต่ข้าพเจ้า กลับพบหล่อนยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงในฐานะผู้กําลังประสบชัยชนะสูงสุดเหนือไปกว่าบุคคลใดที่พระเจ้าเคยพบมาแล้วตีหน้าท่าทางบอกชัดว่าหล่อนกําลังมีความสุขเต็มเปี่ยมเคล็ดลับของหล่อนหรือท่านหล่อนเปิดเผยไว้ในหนังสือเล่มเล็กๆขนาด35หน้าของหล่อนหนังสือซึ่งท่านจะอ่านด้วยความเพลิดเพลินชื่อว่าทําไมไม่ลองให้พระเจ้าช่วยโดยแมรี่พิกเฟิร์สแฟรงคลินเบ็คเกอร์ ผู้เคยเป็นคนรักษาเบสที่สของคณะเบสบอลเซนหลุยส์คาร์ดินันและปัจจุบันเป็นนายหน้าหาประกันชีวิตที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งในบรรดา น, นายหน้าประกันชีวิตทั้งหลายในสหรัฐบอกข้าพเจ้าว่าเขาตระหนักมาหลายปีแล้วว่ามนุษย์คนใดที่น่ายิ้มจะประสบการต้อนรับด้วยดีเสมอเพราะเหตุนี้เองก่อนเขาจะเข้าไปในสานักงานใด เขาหยุดนิ่งอยู่ขณะหนึ่งพร้อมกับปล่อยใจให้ระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เขาควรขอบคุณแล้วยิ้มอย่างกว้างขวางและด้วยความสุจริตครั้นแล้วเขาจึงเข้าไปในห้องนั้นทั้งๆรอยยิ้มยังไม่หายไปจากใบหน้าของเขาเขาเชื่อว่าเทคนิคง่ายๆนี้เองเกี่ยวโยงกับความสําเร็จพิเศษของเขาในงานหาประกันชีวิตโปรดอ่านคําแนะนําอันเต็มด้วยคติจากเอ็ดเบิร์ธฮับเบิร์ธแต่อย่าลืมว่าการอ่านอย่างเดียวไม่ทําประโยชน์อะไรให้ท่าน เว้นแต่ท่านจะปฏิบัติตามด้วยเมื่อใดก็ตามเวลาท่านออกจากบ้านท่านจงยื่นลูกคางไว้ซึ่งทาให้ตัวตั้งตรงเหมือนมีมงกุฎอยู่ข้างบนและจงสูดลมหายใจให้เต็มปอดอย่างเต็มที่จงดื่มเครื่องดื่มท่ามกลางแสงแดดจงโค้งทักทายมิตรสหายของท่านด้วยยิ้มและในการเขย่ามือทุกครั้งจงกระทาอย่างอิ่มเอิบแช่มชื่นอย่า ก, กลัวเกรงไปว่าจะมีผู้เข้าใจท่านผิด และท่านจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวคิดถึงศัตรูของท่านจงพยายามตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่ท่านปรารถนาจะกระทำํำรั้นแล้วโดยปราศจากกลังเลห์หันเหท่านจงมุ่งตรงไปสู่จุดหมายนั้นจงทําใจของท่านให้จดจ่ออยู่เสมอว่าความปรารถนาของท่านเพื่อกระทําสิ่งใดๆจะประสบผลอันงามเลิศแล้วท่านจะพบว่าขณะวันและเวลาล่วงไปโอกาสจะเปิดให้ท่านประสบความสําเร็จ ตามความปรารถนาโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับตัวเพียงจับกันเป็นรูปร่างขึ้นมาได้จากกระแสน้ำซึ่งไหลผ่านไปมาอยู่เสมอจงสร้างมโนภาพในจิตใจของท่านถึงบุคคลผู้มีสมรรถภาพสูงเข้มแข็งเอาการเอางานทำประโยชน์ซึ่งท่านประสงค์จะเป็นเช่นนั้นบ้างและจากความนึกคิดทุกๆชั่วโมงอันนี้เองสามารถเปลี่ยนแปลงท่านให้เป็นบุคคลที่มีความเด่นเป็นพิเศษความคิด เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดจงดำรงรักษาแนวจิตไว้ให้อยู่ในท่าทีที่ถูกต้องดีงามท่าทีแห่งความกล้าหาญบึกบุนแห่งความเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและร่าเริงแจ่มใสความคิดอันถูกต้องดีงามจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ความสำเร็จสมดังปรารถนามาจากความตั้งใจจริงและการสวดด้วยความบริสุทธิ์ใจย่อมได้รับผลตอบแทน เราจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ใจของเราคิดจงตั้งหัวของท่านให้ตรงและสูงเหมือนกับมีมงกุฎสวมอยู่เราทุกคนเปรียบเหมือนเทพพยายดาที่ยังไม่งอกปีกเหาะได้ด้วยกันทั้งนั้นชาวจีนสมัยโบราณเป็นมนุษย์รอบรู้เฉลียวฉลาดในเรื่องปัชญาแห่งชีวิตมากทีเดียวคนเหล่านี้มีสุภาษิตอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งท่านและข้าพเจ้าควรตัดมาปิดไว้ภายในหมวกสุภาษิตมีดังนี้คนที่ใบหน้าไม่ยิ้ม อย่าได้เปิดร้านขายพูดถึงร้านค้าขายข้าพเจ้าขอนำปรัชญาประจำครอบครัวซึ่งแฟรงก์เออร์วิงเบเชอร์ได้เขียนโฆษณาสำหรับบริษัทออปเปนไฮคอนลินมาให้ท่านพิจารณาคุณค่าของการยิ้มในวันคริสต์มาสไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทำให้ผู้รับได้กำไรโดยผู้ให้มิต้องหมดเปลืองแม้จะเพียงแวบเดียว แต่บางครั้งฝังอยู่ในความจำของผู้รับจนตลอดชีวิตคนรวยที่ปราศจากสิ่งนี้แปลว่าเขาไม่ได้รวยโดยแท้จริงและคนจนที่มีสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นผู้รวยจากประโยชน์ของมันแล้วสร้างความสุขในบ้านส่งเสริมไมตรีจิตในธุรกิจและกระชับมิตรภาพทำให้หายเหนื่อยเป็นดวงประทีปแก่กำลังใจระลประโลมความเศร้าและเป็นยาบาบัดทุกข์ดีที่สุดตามธรรมชาติ แต่มันเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจซื้อขอยืมหรือขโมยได้เพราะมันไม่มีประโยชน์แก่ใครเลยจนกว่าจะถูกส่งไปให้และถ้าปรากฏว่าในนาทีสุดท้ายมีคนมาซื้อของสำหรับวาระคิดมาศกันแน่นกระทั่งคนขายของของเราเหนื่อยอ่อนจนไม่สามารถจะให้ยิ้มแก่ท่านได้เราขอร้องท่านโปรดให้ยิ้มของท่านสักครั้งหนึ่งได้ไหมทั้งนี้ ก็เพราะไม่มีใครต้องการยิ้มมากเท่าบุคคลที่ไม่เคยยิ้มให้ใครเลยดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกฎที่สองมีดังนี้ยิ้ม